และสาขาที่สองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีศูนย์รังสิทธิ์ปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม 02-592-1933 วิทยุราชมงคลธัญบุรีเ m 8เ5ปเุมกเเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต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 คุณกำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากรู้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันวัชรินทร์<ม>คณชากลับมารับหน้าที่เก็บเรื่องราวดีๆมาฝากในรายการเป็นเรื่องเป็นราวนะคะช่วงแรกช่วงอยากรู้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดีๆในบ้านเรานะคะเอามาเล่าสู่กันฟังว่าฟังแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดแรงบันดาลใจอยากจะทาสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นช่วงที่2เป็นช่วง อยากเล่านะคะเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นจากทั่วทุกมุมโลกเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจอีกเหมือนกันสำหรับในช่วงแรกนะคะเป็นเรื่องที่แนวโน้มของคนไทยที่ทำงานฟรีแลนซ์เนี่ยมีมากขึ้นไม่ใช่แค่คนไทยด้วยนะทั่วโลกเป็นแบบนี้จะด้วยตัวแปรสำคัญก็คือเรื่องของอการเดินทางมเรื่องของระบบเศรษฐกิจไหมที่คนไม่อยากจะ เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ใดที่หนึ่งนะแล้วก็สะดวกใจที่จะเป็นฟรีแลนซ์นะคะเป็นบทความวิเคราะห์ที่เผยแพร่ในเกี่ยวกับตลาดฟรีแลนซ์ในประเทศไทยจากศูนย์วิจัยกศกรไทยนะคะ<ม>พบว่าในผลการประเมินในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดฟรีแลนซ์ ในเมืองไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นราว 3.9% ต่อปีนะคะโดยในปี 2,561 มีมูลค่าประมาณ 4.8 แสนล้านบาทแล้วก็มีจำนวนฟรีแลนซ์ราว 1.9 ล้านคนนะคะส่วนสถานการณ์ตลาดฟรีแลนซ์ในต่างประเทศมีรายงานจาก World Employment and Social Outlook Trends 0 1 7ขององค์กรองค์การรายงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO พบว่าประเทศอื่นๆมีการจ้างงานในรูปแบบไม่มั่นคงเพิ่มขึ้น คือเข้าใช้คาว่าจ้างงานในรูปแบบไม่มั่นคงเพราะว่ามีเป็นคราวๆเป็นฟรีแลนซ์ค่ะโดยระบุว่าเป็นผลมาจากการเผชิญภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวรวมทั้งความไม่แน่นอนของการเมืองและเศรษฐกิจก็ส่งผลให้มีการขาดการลงทุนเพิ่มโดยเฉพาะในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ตรงนี้เนี่ยก็เลยส่งผลให้จํานวนการจร้างง า, ง, นนนงานที่ไม่มั่นคงเพิ่มขึ้นและมีจํานวนคนที่ทํางานที่ไม่มั่นคงเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วย จาก 1,396.3 ล้านคนในปี2016เป็น1 4 0 7 9ล้านคนในปี2017และเป็น 1,419.2 ล้านคนในปี2018โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่นะคะโดยโดยังมีข้อมูลจาก l a b o r Market and l a b o r Force Survey Stat Statistics นะคะของ EU ในปี Year, 2016พบว่ายุโรปเนี่ย มีกําลังแรงงานที่เป็นพนักงานประจําอยู่ 188.4 ล้านคนเป็นรู้จ้างตนเองอยู่ 32.7 ล้านคนนอกจากนี้ก็พบว่าคนทํางานในยุโรปทํางานเต็มเวลาอยู่1 7บเจ่อยสิบหนึ่อยเจ็ล้านคนทํางานพาร์ทไทม์อยู่ 45.3 ล้านคนเฉลี่ย Buddy. แล้วคนทํางานในยุโรปทํางานสัปดาห์ละ 37.1 ชั่วโมงส่วนสมาคมผู้เชี่ยวชาญอิสระและผู้จ้างงานตนเองนะคะ ก็ประเมินว่าจำนวนฟรีแลนซ์ในสาภาพยุโรปทั้ง28ประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นสองเท่าระหว่างปีคริสตศักราช2000ถึง2014โดยเฉพาะในอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะคะขณะเดียวกันข้อมูลจาก Labor Force Survey Data ก็บอกว่าจากการสำรวจผู้คนในสาราฐอาณาจักรมากกว่า 5,000 50, 0ครัวเรือนนะคะพบว่าจานวนรวมของผู้รับจ้างอิสระมีเพิ่มมากขึ้นร้อยละ50เมื่อเปรียบเทียบ ระหว่างปี 1,992 กับปี 2,011 โดยเพิ่มจาก 1.04 ล้านคนเป็น 1.56 ล้านคนซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยรวมผู้ที่รับจ้างอิสระอย่างเดียว ผู้ที่เป็นทั้งลูกจ้างแล้วก็รับจ้างอิสระผู้ที่เป็นทั้งนายจ้างแล้วก็รับจ้างอิสระและก็รวมถึงเป็นผู้รับจ้างอิสระมากกว่า1 ง, งานนะคะส่วนในสหรัฐอเมริกาค่ะในปี2015จากการสํารวจพบว่าร้อยละ70ของบริษัทในสหรัฐใช้งานภาาบริการด้วยการจ้างงานต่างประเทศรวมถึงกิจกรรมจํานวนหนึ่งไว้ในประเทศเพื่อลดต้นทุนของบริษัท Upwork และก็ Freelance Union ก็ได้เปิดเผยผลสํารวจที่ทําร่วม เมื ween, ่อปี2018บอกว่าคนอเมริกันเนี่ยทำงานแบบฟรีแลนซ์เพิ่มขึ้นจาก53ล้านคนในปี2014เป็น 56.7 ล้านคนในปี2018โดยการทํางานฟรีแลนซ์ของคนอเมริกันเนี่ยมีจํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยเฉลี่ย998ล้านชั่วโมงต่อสัปดาห์ในปี2 0ง5แล้วก็เพิ่มเป็น1 0 7่งจพันล้านชั่วโมงต่อสัปดาห์ในปี2018นะคะมาดูตัวเลขกันค่ะว่าสิบอันดับ ของผู้ที่มีอาชีพฟรีแลนซ์จากทั่วประเทศทั่วโลกนะคะมีประเทศไหนบ้าง10อันดับที่มีการสร้างรายได้จากฟรีแลนซ์ติด1ใน10อันดับนะคะอันดับ1แน่นอนว่ายังเป็นสหรัฐอเมริกานะคะสร้างรายได้ต่อปีอยู่ที่สัดส่วน7ิอันดับ 2, สสหรัฐอาณาจักรนะคะสร้างรายได้ต่อปีสัดส่วน5ิค่ะอันดับ3บราซิลค่ะ สร้างรายได้ต่อปีสัดส่วน48เปอร์เซ็นต์อันดับสี่ปากีสถานค่ะสร้างรายได้ต่อปีในสัดส่วน47เปอร์เซ็นต์ อันดับ5อินเดียค่ะสร้างรายได้ต่อปีอ ย, goodbye, อยู่ที่สัดส่วน3าอันดับ6 Ukraine, ยูเครนค่ะสร uh ้างรายได้ต <mel> ่อปีสัดส่วน 36% อันดับ7ฟิลิปปินส์ค่ะสร้างรายได้ต่อปีในสัดส่วน 35% อันดับ8บังคลาเทศสร้างรายได้ต่อปีอยู่ที่ 27% อันดับ9กรัสเซียค่ะสร้างรายได้ต่อปีในสัดส่วน 20% อันดับ10เซอร์เบียสร้างรายได้ต่อปีอยู่ที่19จะเห็นได้ว่า หนึ่งอันดับก็คืออเมริกากับซาฮาราเนานจักเนี่ยได้ที่1กับที่2ไปแต่นอกนั้นเป็นตั้งแต่อันดับที่3จนถึงลำดับที่10เนี่ยเป็นประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะรวมถึงรัสเซียด้วยนะเพราะว่ารัสเซียเองก็เพิ่งจะเปิดประเทศเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็มีสัดส่วนของการทำงานแบบรับงานไปทาเป็นงานฟรีแลนซ์เนี่ยมากขึ้นนะคะมาดูในเรื่องของก้าที่สุด ของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะไม่รู้เวลาจะพอทันเล่าไหมทันจะเล่าไหมมีเวลาอยู่3นาทีนะผลสำรวจ9้าที่สุดของกรุงเทพมหานครก็คือสอบตกได้คะแนนความปลอดภัยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกนะคะผลสำรวจความปลอดภัยของเมืองทั่วโลกจากนิตยสารเดอะอีโคโิสระบุว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยได้คะแนนรวมด้านความปลอดภัย 57.6% ต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ 71.2 คะแนนนะคะรั้งอันดับที่47ของโลกนะคะมีการสำรวจใน60เมืองทั่วโลกนะคะร่วมกับคือเรารับตำแหน่งเมืองที่มีความปลอดภัยต่ำเนี่ยร่วมกับโฮจิมินห์ของเวียดนามนะคะส่วนโตเกียวเขาคว้าแชมป์เมืองปลอดภัยที่สุดในโลกเป็นปีที่3ซ้อนนะคะเป็นเป็นปีที่3 3สามปีซ้อนละได้คะแนนรวม92คะแนนนะคะ สำหรับการจัดอันดับครั้งนี้เนี่ยรวบรวมจาก4ด้านไอความปลอดภัยที่ว่าเนี่ยรวบรวมทางด้านไหนบ้างความปลอดภัยพื้นฐานด้านดิจิทัลค่ะความปลอดภัยในด้านสุขภาพ ความปลอดภัยเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยตัวบุคคลซึ่งกรุงเทพได้คะแนนต่ํากว่าค่าเฉลี่ยทุกด้านนะคะสําหรับเมืองที่มีความปลอดภัยสิอันดับแรกของโลกก็คือมีโตเกียวญี่ปุ่นอันดับ1นะคะอันดับ2คือสิงคโปร์อันดับ3คือโอซาก้าญี่ปุ่นนะคะอันดับ4คืออัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์อันดับ5คือซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะอันดับหกโต론토แคนาดานะคะอันดับ7จ็ดวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกานะคะอันดับ8โคเปนเฮเกนเดนมาร์กค่ะ อันดับ9โซลเกาหลีใต้อันดับ10 m เมลเบิร์นออสเตรเลียค่ะและเราก็ยังติดโผการจราจรติดขัดและแออัดที่สุดในโลกด้วยเล่าให้ฟัง <c oughs> อันนี้อาจจะรู้กันแล้วเนาะ <c oughs> ผลสำรวจเมืองที่มีการจราจรติดขัดและแออัดที่สุดในโลกนะคะจากเว็บไซต์ tomtom.com นะคะพบว่ากรุงเทพติดอันดับ8ใน403เมืองนะคะจาก56ประเทศ จาก6ทวีปทั่วโลกพบว่าตอนเช้ามีระดับความแอร์อัดอยู่ที่80สเปอร์เซ็นต์ส่วนตอนเย็นแอร์อัดมากกว่าก็คือ98เปอร์เซ็นต์นะคะโดยกรุงเทพมีพื้นที่ถนนรวมโอ้โหถนนเยอะอยู่นะเนี่ยมีพื้นที่ถนนรวม 1,900 ล้านนะคะถ้าถ้าตัวเลขไม่ผิดนะ 1,900 ล้าน 2,50,000 6,450 ้ากิโลเมตรนะคะในกรุงเทพนะเฉพาะในกรุงเทพนะคะแบ่งเป็นไฮเวย์เจ็ดร้อยยีล้านกิโลเมตรแล้วก็เป็นพื้นที่ราบอยู่1 1 7 4 9 0ันหนล้านกิกิโลเมตรขนาดเรามีพื้นที่ถนนรองรับรถเยอะขนาดนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะขยับขยื่นไปไหนได้เลยในเวลาช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะอันนี้ ปอบใจคุณผู้ฟังที่จะต้องใช้ชีวิตบนบนถนนใช้ชีวิตบนถนนมากกว่าชีวิตที่อยู่ที่บ้านนะคะนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนรับงานไปทําที่บ้านมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพักฟังเพลงเพราะๆคลคู่เดียวค่ะกลับมาในช่วงหน้ามีเรื่องดีๆตัวอย่างดีๆที่เกิดขึ้นของออชนเผ่าพื้นเมืองในอเมซอนเขาชนะคดีด้านสิ่งแวดล้อมพักรู่เดียวค่ะสนับสนุนรายการโดย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 When I'm sad, she's up in the good times. She's down in the bad. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But girl. Doesn't know about you. I can tell her my troubles. She makes 'em all seem right. I can make up excuses not to hold her at night. Tomorrow, I'll tell her things that I wanna do. But girl, how can I tell her about you? can I tell her I don't miss her? Whenever I'm away, how can I say it's you I think of every single night and day? Telling someone we're through, oh girl, help me tell her about you. คุณกำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากเล่ากลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเป็นเรื่องเป็นราวนะคะอย่างที่บอกไว้กลืนพ่านหูไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเรื่องตัวอย่างของออชนพื้นเมืองในอเมซอนนะคะเขาชนะคดีประวัติศาสตร์เนื้อกลุ่มทุนน้ำมันในบราซิลนะคะโดยเป็นเรื่องของชนเผ่า วาโอรันนีนะคะซึ่งอาศัยอยู่ในเขตป่าอเมซอนของประเทศเอกวาดอค่ะไม่ใช่บราซิล น, นะคุณผู้วังในเอกวาดอ์นะคะได้สร้างประวัติศาสต ร, ร์หลังจากศาลจังหวัดปาสตาซา ตัดสินให้พวกเขาชนะคดีกรณีพิพาทกับบริษัทน้ํามันยักษ์ใหญ่หลายแห่งที่เข้ามาสํารวจการการขุดเจาะน้ํามันในถิ่นอาศัยของพวกเขานะคะโดยคําตัดสินของศาลในครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ชนพื้นเมืองสามารถเอาชนะบริษัทเอ ก, กชนขนาดใหญ่ที่ต้องการบุกรุกพื้นที่ป่าได้โดยศาลได้มีคําสั่งคุ้มครองพื้นที่ ประมาณ 1,80,000 เอเคอร์จากการบุกรุกของกลุ่มทุนซึ่งอ้างอิงจากรัฐธรรมนูญของประเทศเอกวาดอร์ที่เขียนไว้ว่าชนพื้นเมืองมีสิทธิ์ที่จะครอบครองผืนดินของบรรพบุรุษของพวกเขาโดยรัฐ ต้องให้การคุ้มครองนะคะถึงแม้ว่าทรัพยากรใต้ดินทั้งหมดจะเป็นของรัฐบาลกลางก็ตามนะคะนอกจากนี้เนี่ยการพิจารณาคดียังพิจารณาตามแนวทางคําตัดสินคดีด้านสิทธิมนุษ ย, ยชนหลายคดีในทวีปอเมริกาคือเทียบเคียงกันเวลาที่ศาลศาลที่เขาจะตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาจะเทียบเคียงกับคดีที่มีความใกล้เคียง คล้ายึกันเอามาเทียบเคียงนะคะโดยคำตัดสินของศาลในคดีนี้มีความสำคัญมากค่ะเพราะว่ามันจะถูกใช้เป็นบรรทัานในการพิจารณาคดีพิพาทระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองอเมซอนอื่นๆกับกลุ่มทุนเอกชนที่ต้องการเข้าไปแสวงหาประโยชน์ในถิ่นอาศัยของพวกเขานะคะอันนี้เป็นคำ ให้สัมภาษณ์ของทนายฝ่ายโจทก์ก็คือลีนามาเรียเอสปิโนซานะคะในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเอกวาดอร์ก็ได้มีการจัดสรรพื้นที่ในเขตอเมซอนออกเป็นหลายแปลงค่ะเพื่อเปิดให้เอกชนเข้ามาประมูลเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นะคะหนึ่งในนั้นก็คือผืนดินของชาว วาโอรานีในปี2012เนี่ยรัฐบาลก็ได้บรรลุข้อตกลงกับชนเผ่าวาโอรานีในการอนุญาตให้บริษัทน้ำมันเอกชนสามารถเข้ามาขุดเจาะสำรวจแหล่งน้ามันดิบใต้ดินในเขตปูโยได้นะคะแต่ภายหลังชนเผ่ากลุ่มนี้พบว่าพวกเขาไม่ไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นความจริงจากรัฐบาลแล้วก็บริษัทเอกชนทั้งหมด โดยกิจกรรมการขุดเจาะได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและก็วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของพวกเขาก็เลยทำให้เกิดการฟ้องร้องขึ้นนะคะหลังทราบคำพิพากษาชาววาโอรานีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กว่า 4,800 คนก็รวมตัวกันเดินขบวนฉลองชัยชนะบนถนนในเมืองปูโยนะคะบางส่วนต้องเดินทางมาจากพื้นที่ที่ไม่มีถนนตัดผ่านต้องพายเรือแคนูหรือว่านั่งเครื่องบินเล็กมานะคะ เนมอนเตเนนกิโมนะคะผู้นำชนเผ่าวาโอรานี o, ani, ก็บอกว่าคำตัดสินนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่ารัฐไม่สามารถละเมิดสิทธิ์ในการใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีตามวิถีดั้งเดิมของพวกเขาได้แล้วก็ยังช่วยให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยขึ้นนะคะข้อมูลจาก The World Resource Institute นะคะซึ่งติดตามสถานการณ์พื้นที่ป่าของโลก พบว่าตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมา2001นะคะเป็นต้นมาประเทศที่สูญเสียพื้นที่ป่ามากที่สุด 4, ที่สุด4ประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกาใต้ก็คือบราซิลโคลัมเบียเปรูและก็บรลิเวียค่ะซึ่งมีเขตแดนครอบคลุมผื้นป่าอเมซอนคือ สีประเทศเนี้อยู่ในพื้นที่แถบป่าอเมซอนทั้งหมดนะคะโดยการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของนักวิจัยเพราบว่าโลกได้สูญเสียพื้นที่ป่ากว่า 120,000 ตารางกิโลเมตรในปี2018โดยในจำนวน 3,500 ตารางกิโลเมตรเนี่ยคือพื้นที่ป่าสมบูรณ์นะเรียกว่า primary forest ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยถูกลบกวนเลยจากกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ของมนุษย์ในช่วงสมัยปัจจุบันพื้นที่ป่านี้จึงเป็นจุดที่มีความ หลากหลายทางระบบนิเวศและก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์สายพันธุ์ต่างๆโดยบางชนิดมนุษย์อาจจะไม่เคยพบมาก่อนด้วยซ้ำไปเฉพาะในประเทศบราซิลอย่างเดียวเนี่ยมีการสูญเสียพื้นที่ป่าสมบูรณ์ไปประมาณ 16,000 ตารางกิโลเมตรค่ะโดยกิจกรรมของมนุษย์เช่นการถางป่าเพื่อทำปศุสัตว์ ทำเหมืองแรกการปลูกพืชเชิงเดียวที่เร่งให้มีการสูญเสียพื้นที่ป่ามากขึ้นนะคะนักกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมก็มีความกังวลในเรื่องพื้นที่ป่าอเมซอนในบราซิลมากขึ้นค่ะเพราะว่านับตั้งแต่ประธานาธิบดีคนใหม่ของบราซิล น, นะคะดําลงตําแหน่งเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะ เ, เขาสัญญาว่าจะเปิดป่าอเมซอนเพื่อทำการทาอุตสาหกรรมแล้วก็ลดงบประมาณเพื่อการทําวิจัยทางวิทยาศาสตร์และก็สิ่งแวดล้อมลงด้วยนะคะ โดยในประเทศโคลอมเบียก็ประสบปัญหานี้เหมือนกันนะคะโดยในปีนได้มีพื้นที่ป่าหายไปประมาณ117ตารางกิโลเมตรนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ thinkinghumanity com นะคะที่เป็นเรื่องราวดีๆนำมาเล่าสู่กันฟังอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของภาวะโลกร้อนที่จะเกิดขึ้นเนาะไอภาวะโลกร้อนเนี้ยมีความกังวลกันว่ามันจะทําให้ยุงลายออกอารวาดไปไกลถึงยุโรปซึ่งก่อนหน้านี้มันอยู่จะจะอยู่แถวเส้นศูนย์สูตร เส้นที่มีฝนตกชุกมีป่าดิบมีป่าชื้นนะคะแต่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฟริดาเนี่ยตีพิมพ์ในวรารสารพลาสนะคะบอกว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าผู้คนหลายล้านชีวิตในทวีปยุโรปเนี่ยจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคที่มียุงเป็นพาหะเพิ่มมากขึ้นค่ะเป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่จะทาให้ยุโรปมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นนะคะ ไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาดีเจย์ไรอันนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้เนี่ยบอกว่ายุงที่อันตรายที่สุดบนโลก 2-3 ชนิดก็ได้แก่ยุงลายบ้านแล้วก็ยุงลายสวนเป็นพาหะของเชื้อไวรัสในโรคชิกุนกุญย่าโรคไข้เลือดออกโรคไข้เหลืองโรคไข้ซิ ก, ก้านะคะก็จะแพร่พันธุ์ได้ดีที่สุดในอุณหภูมิประมาณ 26-29 องศาเซลเซียสนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสภาวะโลกร้อนก็จะทําให้อุณหภูมิเฉลี่ย ของยุโรปปรับตัวสูงขึ้นด้วยตามที่หลายฝ่ายคาดการแล้วยุงสองชนิดนี้ก็จะอบพยพขึ้นไปได้นะคะเพราะว่ามันไม่หนาวแล้วนี่ยุงก็บินไปได้นะคะสองชนิดนี้ก็จะอบอบพยพขึ้นเหนือจากแถบเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปก็เลยเป็นความหมายว่าจำนวนประชากรในโลกก็จะมีความเสี่ยงในที่จะเจ็บป่วยจากโรคที่มียุงสองชนิดนี้เป็นพาหะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยประเมินว่าภายใน 20-30 ปีต่อจากนี้จำนวนประชากรโลกจะมีความเสี่ยงจากการป่วยด้วยโรคที่มียุงเป็นพาหะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า500ล้านคนนะคะโดยส่วนมากเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในยุโรปซึ่งมันจะน่ากลัวทีเดียวเพราะว่ายุโรปเขาก็จะไม่มีภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับโรคแบบนี้เลยนะคะสิ่งที่เขาจะทาได้เบื้องต้นคือต้องมาศึกษาแล้วก็ ศึกษาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยุงชนิดนี้แล้วก็การป้องกันให้มากขึ้นนะคะโดยภายในปีพุทธศักราช2626หรืออีก60ปีข้างหน้าเนี่ยตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ล้านคนนะคะนอกจากนี้เนี่ยทีมวิจัยยังเชื่อว่าโลกอาจจะต้องเผชิญกับการระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะชนิดใหม่ๆที่ยังไม่มีการศึกษาอย่างแพร่หลายนกเช่นเดียวกับการเกิดการระบาดของโรคไข้หวัด ไวรัสซิ ก, ก้าในทวีปอเมริกาเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งช่วงที่โรคไข้ซิ ก, ก้าระบาดนั้นเชื้อไวรัสชนิดนี้ยังเป็นที่รู้จักกันน้อยมากและแทบจะไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับมันด้วยทำให้การยับยัง้งการแพร่กระจายและการรักษาเป็นไปอย่างล่าช้าส่งผลให้มี ผู้ป่วยจากโรคนี้มากถึง6แสนรายแล้วก็มีเด็กที่เกิดมาไม่สมประกอบจากเชื้อไวรัสซิก้ามากถึง 2,000 รายในอนาคตเราอาจจะได้เห็นภาพเหล่านี้อีกหากไม่มีการเตรียมแผนรับมือที่ดีนะคะนี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาดีเขาก็ให้เหตุผลในการที่ อยากจะให้หลายๆหน่วยงานนั้นตื่นตัวกับการศึกษาเชื้อโรคชนิดนี้อย่างชัดเจนเจาะจงมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างไรก็ดีท่ามกลางข่าวร้ายของชาวยุโรปก็ยังมีข่าวดีของประชากรที่อาศัยอยู่ในแถบเอเชียตอนออกเฉียงใต้ในแอฟริกาแล้วก็อเมริกาใต้บางส่วนนะคะเพราะว่าทีมวิจัยประเมินว่าพื้นที่บางส่วนในกลุ่มประเทศเหล่านี้เขตร้อนเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่สูงเกินกว่าที่ยุงพวกนี้จะแพร่พันธุ์ได้ก็ทําให้ความเสี่ยงของคนที่เจ็บป่วย จากโลกที่มียุงเป็นพาหะจะลดน้อยลงเราจะดีใจดีไหมคือถ้าร้อนมากขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีอย่างอื่นตามมาอย่างเช่นพายุหลายๆ ล, ลูกที่เข้ามาซัดกระหน่าตลอดระยะเวลาเนี่ยก็จะส่งผลกับเรื่องของพืชพันธุ์เรื่องของการผลิตอาหารเรื่องของการใช้ชีวิตของพวกเราอยู่พอสมควรนะจากการศึกษาเนี่ยพบว่าจํานวนยุงลายในหลายพื้นที่ของเอเชียตวันออกเฉียงใต้ในแอฟริกาแล้วก็อเมริกาใต้เนี่ย เริ่มลดลงอย่างมีนัยยะซึ่งเป็นผลมาจากระบบนิเวศที่เปลี่ยนไปตามสภาพภูมิอากาศ mm. แล้วก็ในอนาคตก็มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะทางด้านดิอุกวาเซอร์ก็เป็นนักวิจัยอีกคนในทีมก็บอกว่าเขามุ่งมั่นศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วก็การย้ายถิ่นของสัตว์ที่เป็นปหาของโลกต่างๆต่อไปเพราะว่าหากมนุษย์เข้าใจธรรมชาติได้ลึก ซึ่งขึ้นก็จะหาวิธีการรับมือแล้วก็ลดความเสี่ยงกับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนแล้วก็ยุงลายเนี่ยก็คือเมื่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ยุงลายมีชีวิตที่ยาวขึ้นโดยปกติและยุงลายจะมีอายุอยู่ระหว่าง30วันแต่เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น0ูนองศาเซลเซียสยุงลายวงจรเขา จะมีวงจรอยู่ได้ 45-60 วันตามธรรมชาติยุงลายจะออกหากินหรือกัดในช่วงเวลากลางวันแต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเป็นเหตุให้ช่วงเวลากลางคืนมีอุณหภูมิที่เหมาะสมยุงลายก็ยังหาหากินได้นะคะงานวิจัยในยเรื่องรูปแบบการรอดชีวิตแล้วก็การติดต่อของโรคไข้เลด อ, ออกจากฝรั่งเศสเนี่ยบอกว่ายุงลายสามารถมีชีวิตได้ถึง76วันในสิ่งแวดล้อมที่มันชอบโดยในที่นี้ก็หมายถึงอากาศร้อนชื้นหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยนะคะ นี่เป็นเรื่องนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะเดี๋ยวหมดเวลาละสำหรับวันนี้นะคะกลับมาพบกันใหม่ในรายการเป็นเรื่องเป็นราวสัปดาห์หน้าดิฉันวัชรินคันธชาลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรละฟังรายการเป็นเรื่องเป็นราวได้ทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬนาทีทาง FM 89.5 m ม z